เมื่อประมาณสัก 2,200 ปีที่แล้วเนี่ยโรมเนี่ยนะเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก็ไม่ถึงกับยิ่งใหญ่ที่สุดนะเพราะว่ามีคู่แข่งนะคือคาเทสคาเทสนี่นีทีนี้เราไม่ค่อยรู้จักแล้วแต่เมื่อ 2,200 ปีก่อนนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ปรับสำคัญของโรมเลย อาเทนส์นี่ก็เป็นเป็นอนาณจักรอยู่แถวแอฟริกาตอนเหนือครับก็อยู่ไม่ไกลาจากโรมนะสองอาณาจักรนี้ก็เรียกว่าสู้รบตบมือขับเคี่ยวกันมาตลอดและสุดท้ายนี่โรมก็สามารถเอาชนะได้นะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากที่ทาให้่อหลังโรมนี่ก็เลยกลายเป็น จั ก, กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอินเดียหรือจีนก็สู้ไม่ได้นะถ้าถึงช่วงนั้นนะนะชัยชนะของโรมครั้งนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากคนในกรุงโรมนี่ก็เลยมีการฉลองชัยชนะกันอย่างเออกระเริกยิ่งใหญ่มีการจัดพิธีนะต้อนรับ กองทัพของโรมเนี่ยที่สามารถจะพิชิตคาเทชแล้วก็ทำลายจนย่อยยับได้เนี่ยมีการจัดพิธีสวนสนามกลางกรุงโรมนะคนนับแสนนี่มาร่วมพิธีอ่านึกภาพเนี่ยที่เราดูในหนังเนี่ยนะมีการมีขบวนพาเหรด ยาตราเข้าสู่กรุงโรมเนี่ยก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนขบวนกองทัพนี้ก็เรียกว่าพรั่งพร้อมนะเริ่มต้นด้วยพลตแรแล้วก็ทหารหลายมือเลยทีเดียวนะพร้อมเสือกกรอะ ตามมาด้วยทรัพย์สมบัติที่ยึดมาได้จากคาเทศซึ่งมหาศาลมากแล้วก็เฉลยศึกนะเนเฉลยศึกนี่ก็มาเป็นพันนะนะสมัยก่อนนี่เขาต้องกวาดต้อนคนมาเพื่อเป็นกำลังด้วยเพราะคนนี่ก็หายยากเวลาชนะที่ไหนก็ต้องกวาดต้อนคนเพื่อไปเป็นแรงงานนะเหมือนอย่างวิทยาเนี่ยตอนเสียกรุงเนี่ย พม่าไม่ได้ขนแต่ทรัพย์สมบัติแปลงเดียวขนเอาคนไปด้วยเพราะว่าคนนี่เป็นทรัพยากรสำคัญนี่หลังเฉลยศึกนะหลังขบวนเฉลยศึกนียก็คือเอเมเลนัสนะเอเมเลนัสนี่ก็เป็นขุนพลนะที่นำชายชนะมาสู่กรุงโรมเอเมเลนัสนี่ก็อยู่บนรถศึกนะตามนานเขาว่าเนี่ยเอเมเลนัสเนี่ยสวม เสื้อคลุมสีม่วงทานหน้าสีแดงสีม่วงนี่เป็นเครื่องหมายของเทพเจ้าจูปิทัสจูปิเตอร์จูปิเตอร์นี่ก็เป็นเทพเจ้าที่คนในกรุงโรมนี่นับถือมากนะหน้าสีแดงเนี่ยหน้าที่ทาสีแดงก็มาถึงจูปิเตอร์นั่นแหละผู้งานคือว่าเอเมเลนัสนได้รับการยกย่องเลยนะเสมอเหมือนเทพเจ้า จูปิเตอร์เขายกย่องขาดนั้นเลยแต่ว่าหลังเอมิเลนัสเนี่ยในรถศึกเนี่ยมันมีท่าคนหนึ่งนะนอกจากทำหน้าที่ถือมองกุฎมงกุฎท้องนี่นะของเอมิเลนัสนั้นเนี่ยหน้าที่อย่างนื้อคือกระซิบบอกเอมิเลนัสเวลามีฝูงชนโห่ร้องสรรเสริญ เปล่งชื่อของเอเมเลนัสเนี่ยท่าคนนี้ก็จะกระซิบเป็นภาษาลาตินนะถ้าแปลเป็นไทยคือว่าอย่าลืมว่าท่านต้องตาย <c oughs> อย่าลืมว่าสักวันหนึ่งท่านต้องตายหน้าที่ของท่านเนี่ยทำหน้าที่แค่นี้แหละถือมองกุฎแล้วก็กระซิบข้างหูเอเมเลนัสมาสักวันหนึ่ง ท่านต้องตายอย่าลืมนะนี่มันน่าสนใจนะในขบวนขบวนศึกนะที่กำลังฉลองชัยชนะนะผู้คนกำลังห่ร้องสรรเสริญยกย่องอิมิเลนตเสเหมือนกับเทพเจ้าเนี่ยแต่มีคนคนหนึ่งเนี่ยคอยกระซิบบอกอมิเลนตสว่าอย่าลืมนะท่านต้องตายเพื่ออะไรนะ เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เหลิงนะไม่ให้เหลิงว่าเนี่ยกูเป็นเทวดาแล้วเว้ยนะสามารถจะพิชิตศึกได้นี่พอมีคนแร่ ส, สองสารเสรินเนี่ยธรรมดาคนเราเขจะมีความหลงตัวนะเหลิงในชัยชนะยิ่งได้รับการยกย่องเปรียบเหมือนเทพเจ้าเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะว่าจะลืมตัวนะว่า ที่จริงเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งซึ่งสักวันหนึ่งต้องตายเป็นการเตือนสติที่ดีมากนะไม่ให้เหลิงในชัยชนะแล้วก็ไม่ให้หลงตัวลืมตนธรรมดาคนเราเนี่ยเวลาประสบชัยชนะประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วก็มีคนแซ่ซ้องสารเสรเนี่ยมันง่ายมากเลยนะ ที่จะหลงเพลินนะในชัยชนะในความสำเร็จ้วคิดว่าเนี่ยคำซาซองสารเสริญเนี่ยมันจะอยู่ยั่งยืนและคิดไปไกลถึงว่า <c oughs> ตัวเองเนี่ยก็จะอยู่คำฝามันเป็นช่วงที่ความหลงเนี่ยมันครอมงำใจได้มากซึ่งถ้าใครหลงแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นอันตรายอันตรายตัวเองด้วย อันตรายแต่ส่วนรวมด้วยด้วยเพราะแม่ทัพนยซึ่งมีอำนาจมากเนี่ยเขเลยมีการเตือนเตือนสติแม่ทัพว่าอย่าเลงนะอย่าลืมว่าอย่าลืมนะว่าท่านต้องตายคนเราเนี่ยอย่าว่าแต่ประสบความสำเร็จในระดับของเอิลเลนัสนี่นะแม้กระทั่งเวลาที่ มีความสุขเพราะว่าสุขภาพดีเพราะว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่ามีความสำเร็จในการงานมันง่ายมากนะที่จะลืมตัวหรือลืมความจริงว่าสวรรค์นหนึ่งต้องตายจริงๆริงอย่าว่าแต่ลืมตายเลยนะแม้กระทั่งความสำเร็จนะ การมีสุขภาพดีความสุขคนส่วนใหญ่ก็มักจะหลงคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะยั่งยืนความสำเร็จก็จะอยู่กับเราไปจนตายหรือว่าความแข็งแรงสุขภาพดีก็อยู่กับเราไปจนตลอดไม่เคยคิดเลยนะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวว่าแต่ ไอาการเตือนให้เราเรื่กว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยแม้ทางการเตือนว่าความสําเร็จนะความสุขความสนุกสนานทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ลืมพอลืมก็เลยไปยึดว่ามันจะอยู่ยั่งยืนไปตลอดพอถึงเวลาที่ทรัพย์สูญหายชื่อเสียง ลดหายไปหรือว่าความเจ็บป่วยนะเกิดขึ้นก็เกิดอาการข่าครวนเพราะเรเนียมันคิดว่ามันจะอยู่กับเราไปจนตายหรือจะอยู่กับเราไปตลอดเดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงความตายนะเพราะนั้นการที่มีการเตือนนะเตือนสติ อย่างที่ท่านเนี่ยทำหน้าที่เตือนเอเมเลนัสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะตอนหลังก็เป็นประเพณีนะเวลามีการฉลองชัยชนะนะมีพิธีพาเรเดนเนี่ยก็จะมีท่านเนี่ยนะคอยเตือนแม่ทัพที่นําชัยชนะมาว่าเนี่ยอย่าลืมนะท่านต้องตายอันนี้เป็นคําเตือนที่อ่ามันมีความหมายมาก แล้วคนเราทุกคนเนี่ยแม้จะเป็นปุถุชนก็ควรมีการเตือนใจแบบนี้ถามตัวเราเองว่าเนี่ยทุกวันนี้เรามีใครมาช่วยเตือนเราไหมว่าสัปดาหนึ่งเราต้องตายสัปดาหนึ่งความสําเร็จทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะสูญสลายไปที่ยุคตะกอนเนี่ยคนไทยเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยก็จะมีพระเตือนนะพระเตือน เรื่องอันนี้จังเรื่องความไม่เที่ยงชีวิตให้ไม่ประมาทเพราะว่าเป็นคําเตือนสุดท้ายของพุทธเจ้าเหมือนกันพระุทธเจ้านี่ก็ก่อนจะไปนิพพานก็เตือนอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะท่านทั้งหลายตรงทางความไม่ประมาทถึงพร้อมพระเราเนี่ยตอนหลังก็ทําหน้าที่เตือนแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยมาวัดละหรือถึงมาวัดก็อยากจะฟังอย่างอื่นมากกว่าอยากจะฟัง คำอวยพรว่ารวยรวยรวยเวล า, าพระบอกว่าาวันหนึ่งเธอต้องตายนี่ไม่อยากฟัง mm. ก็เลยไม่มีอะไรมาเตือนคนเราเนี่ยมันต้องมีสิ่งเตือนใจแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่คำเตือนจากพระแต่เวลาไปงานศพคำเตือนก็เกิดขึ้นกับเราแล้ว เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยไปโรงพยาบาลก็ให้มองว่าเนี่ยคนป่วยเนี่ยเขามาเตือนใจเราพิยามองหาสิ่งที่จะมาช่วยเตือนใจเราให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเพลินกับความสุขมากยุคนี้มันเป็นยุคที่มีสิ่งเรียกว่ามอมเมาก็ได้นะให้เราหลงเพลินในความสุขมีหนังดูยี่บสี่ชั่วโมงมีเพลงฟังนับหมืน่นเพลงฟังไม่อั้น จะกินอะไรก็กินได้ถ้ามีเงินสั่งรถแกร็บมาส่งถึงบ้านเพลิเพลนกับความสุขจนลืมไปว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วก็ลืมไปว่าสวรรค์ข น, นงเราก็จะต้องตายเหมือนกันเราลึกเอาไว้นะมันจะได้ไม่ประมาทกับชีวิตและถึงเวลาความตายมาถึงเนี่ยก็จะได้ไม่ตื่นตระหนกตดใจย่แต่ความตายแล้วเอาแค่ความแก่ก็ได้ ความแก่ความเจ็บความพัดพราวเนี่ยเตือนเอาไว้นะเพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ถึงเวลาพอมันเกิดขึ้นก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ตื่นตระหนกเพราะเตรียมใจไว้แล้วอันนี้ล่ะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราในระยะยาว